ใจให้ปล่อยใจฟุ้งซ่านไปพยมไม่ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติ ใ, ใจเราฟุ้งซ่านหนีไปปฏิบัติไม่ได้ใจฟุ้งซ่านแค่ตัวใจฟุ้งซ่านเองก็คือไม่มีสมาธิ ไม่มีสมาธิปัญญาไม่มีทางจะเกิดขึ้นเมื่อกี้ขาดสมาธิไหมต้องฝึกนะหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อไม่ให้ใจพุ้งซ่านเลื่อนลอยเลยไม่เป็นเนอะหัดเริ่มแต่ละหายใจครนบ หายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเวลาหลงเวลาเผลอนะมีไม่ใช่ไม่มีเวลาหลงเวลาเผล อ, นะวลลวลลอแวบบเดียวรู้สึกละไม่นานวันแต่ละวันอ่านใจตัวเองไปเรื่อยยกเว้นตอนนอนหลับกัอตอนทำงานที่ต้องชิด หลวพฝึกอย่างนี้ไม่ใช้เวลาไม่มากมันก็พัฒนาได้ด้วยจิตใจมีอยู่กับตัวเองถ้าเราปล่อยใจของเราล่องลอยไปเรื่อยๆมันไม่มีทางภาวนาใจล่องลอยคือใจฟุ้งซ่านสมถรก็ไม่มีใจไม่สงบใจล่องลอยไปมีกายลืมกายมีใจลืมใจ ไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้คือเรียนวิปัสสนาไม่ได้ให้ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติทำ ไ, ไงจะรู้สึกตัวได้บ่อยๆไม่ใช่รู้สึกได้ตลอดเวลานะเหมือนไม่มีใครรู้สึกตัวตลอดเวลาอย่างเพ่งหัดกันอย่าหลงนาน วิธีฝึกใจไม่ให้หลงนานนัือหากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งอย่าเปลี่ยนกรรมฐานทุกวันเปลี่ยนทุกวันจิตใจจะจับหลักไม่ได้สักทีเราจะจับหลักคือจับจิตของเราให้ได้ทำกรรมฐานอะไรให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่างอย่างเราจะพุโทโธ หรือเราหายใจนะพุทโธอย่างเดียวก็ได้หายใจอย่างเดียวก็ได้หรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโธก็ได้หรือถ้าใจยังฟุ้งซ่านมากเพิ่มอีกอย่างหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโธนับหนึ่งหายใจเข้าพูดออกโธนับสองอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้แต่อย่าให้เกินสามนะอย่าให้กรรมฐานมากเกินไปใจจะเครียด ยังหลวงพ่อหัดทีแรกเรียนกับท่านพ่อหลีท่านสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแล้วก็นับเลขด้วยพอจิตเราเริ่มสงบในการนับเลขหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรพอจิตสงบมากขึ้นพุดโทรหายไปเหลือแต่หายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไป กลายเป็นแสงสว่างหยุดแถวจมูกเนี่ยสว่างเราเฝ้าดูนะที่แรกทำผิดสว่างแล้วไปมองที่ตัวสว่างจิตเคลื่อนไปในแสงสว่าง<ม>อันนี้ออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกแล้วแต่กิเลส จ, จะพาไปดูออกไปอยู่ช่วงหนึ่งมันไม่ใช่ทางออกไปเห็นของข้างนอกเห็นเทวดา เห็นวิมานเห็นสวนดอกไม้เห็นของกินเยอะแยะมันไม่ใช่ของเราเราบริโภคอะไรของเขาไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์เหมือนเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีไปดูวิดีโอดูอะไรเกี่ยวกับบ้านเศรษฐีเราไม่ได้บริโภคอะไรกับเขาดูอาณาถาเที่ยวไปดูสมบัติคนอื่น ตอนหลังเวลาฝึกนะหลวงพ่อจะไม่ตามแสงออกไปมันสว่างแล้วก็รู้ตัวอยู่จิตจะหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นเลนดวงเป็นผู้รู้รู้ตัวอยู่เรื่อยๆเสร็จ<ช>นะแล้วร่างกายมันหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวพอร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วพอกลับมามีร่างกายนะขันมันแยก มาตลอดไม่เคยรวมอีกเลยนะเพราะว่าปัญญามันรู้ความจริงแล้วว่ากายกับใจมันโคลานกันเรานั่งสมาธิจนร่างกายหายไปแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวเมื่อกลับมามีกายนะเรารู้เลยกายกับจิตไม่เกี่ยวกันโคลานเม่นหลวงพ่อแยกกายแยกจิตได้ตั้งแต่ยังไม่เจอหลวงปู่ดุล เรียกว่าแยกขันได้แต่ว่าไปต่อไม่เป็นใจมันตั้งทรงตัวอยู่นั่นโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้รักษามาเจอหลวงพู่ดูนนะถึงมาเดินปัญญาต่อได้หลวงพู่ดูลท่านบอกให้ดูจิตเอาท่านไม่ได้สอนหลวงพ่อดูกายทำไมท่านไม่สอนหลวงพ่อดูกายไม่สอนหลว ง, งพ่อทําสมถะ หลวงพ่อดูกายจนมันหมดกายแล้วร่างกายเคยหายไปหมดแล้วใจมันไม่สนใจร่า ง, างกายรู้สึกเรียนรู้กายมนะันไม่สนุกคับแคบท่านเลยสอนให้ดูจิตเอาที่จริงแล้วที่เราหัดดูกายนะเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นจิตกายเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้าน เราอยากหาเจ้าของบ้านให้เจอเราหาตัวเขาไม่เจอเราไปเฝ้าที่บ้านเขาเห็นเราคอยะระลึกอยู่ในกายเนะเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเห็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ค่อยรักบ้านเท่าไหร่จิตเราอยู่ในกายนะแต่หนีบ่อยเดี๋ยวก็หนีไปโน่นหนีไปนี่นะไม่เคยสนใจร่างกายตัวเองสนใจร่างกายคนอื่นมากกว่าสิมันไม่รักบ้านมันจริง ทิ้งไปปลวกขึ้นโสโครกคือปล่อยบ้านรกนุงรังใจสดคลกนี่หลางปู่ดูไม่ได้สอนหลวงพ่อดูกายเราหลวงพ่อดูกายมาก่อนแล้วท่านไม่ได้สอนหลวงพ่อทำสมาธิหลวงพ่อทำสมาธิมาก่อนแล้วมาเจอท่านท่านสอนให้ดูจิตไปเลยท่านรู้ว่าให้หลวงพ่อดูกายนั้น จิตหลวงพ่อไม่ไม่หลงให้มันรู้สึกว่าการดูกายมันตื้นไม่มีอะไรลึกซึ้งเลยรู้สึกเื่อเห็นได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราของเราดูแป๊บเดียวก็เห็นแล้วอย่างพวกเราอะดูกายแป๊บเดียวเราก็จะรู้สึกร่างกายไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกนะว่าคนทั่วๆั่วไปท่านใช้ภาษา บาหรีเอผู้ท<ม>ูชนที่ไม่ได้สะดับ<ม>คนทั่วๆไปที่ไม่เคยฟังธรรมะนี<ม>่สามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจะ ม, มีแต่สาวกของท่านเท่านั้นที่จะสามารถพัฒนาจนเห็นได้ว่าจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรา<ม>นั้นตัวจิตสำคัญมากเยการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา<ม>คนทั่วๆไปคขาก็เห็น เห็นตอนไหนนะถ้ามีปัญญามากมาจะเห็นตั้งแต่เดี๋ยวเนี้ยถ้าปัญญาน้อยหน่อยเห็นตอนใกล้จะตายแล้วเอาไว้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ตัวเราของเราไม่นานเขาก็เอาใส่โลงเอาไปเผาแล้วแต่เราไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานี่เราจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้เราต้องดูจิตให้เป็นวิธีดูจิตไม่ใช่ทําจิตให้นิ่งไม่ได้ทําจิตให้ว่าง หลวงพ่อเคยทำผิดไปเรียนเดี๋ยวหลวงปูดด่โดนท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อไปเฝ้าจ้องอยู่ที่จิตรักษาจิตไว้ไม่หนีไปไหนหไปส่งกันบ้านหลวงปู่บอกทำผิดแล้วอ น, นั้นเป็นการแทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแตง่งเราไปทำจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แตง่งว่างๆอยู่เฉยๆเท่านยืนยันว่าผิดนะะนั้น มีลูกศิษย์หลวงปู่ดุลที่เรียนมาไม่ดีอะยังออกสอนกันอยู่นะเปิดสำนักสอนก็มีสอนให้ทําจิตให้ว่างทำจิตให้นิ่งตัวเนี้ยหลวงพ่อไปทำหลวงปู่ดุลบอกว่าผิดท่านบอกให้ไปดูไปดูจิตไม่ได้ให้ไปบังคับจิตดูจิตก็คือจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างเราหัดไป ใจเรานะจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหัดดูไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามจะเกิดนจะเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดตัวนี้เรียกว่าเราเห็นหนอันนี้จังแนละ้วตรเนี้คือการเจริญวิปัสสนานเดินปัญญานะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยทีมันก็เห็นจิตมันทํางานได้เอง เราสั่งให้สุขมันไม่สุกเราห้ามทุก์มันก็ห้ามไม่ได้สั่งให้ดีมันก็ไม่ยอมจะดีนะบอกอย่าชั่วมันก็ยังชั่วอย่ากโกรธมันก็ยังโกรธอย่าลอบมันก็ยังลอก <c oughs> นี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงไปเราจะได้เห็นความจริงสิ่งที่เรียกว่าของจริงนะภาษาบาลีเรียกว่าปรมตถธรรมของจริงนี่ว่าปรมาธถธรรมมีสี่อย่างนะ ตัวจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ทั้งหลายเจตสิก ค, คือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตอย่างสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเนี่เรียกว่าเจตสิกรูปคือตัวกายของเรานี้ก็นิพพานปรมามัทธธรรมมีสี่อย่างที่พวกเราจะเรียนรู้คือจิตเจตสิกรูปจิตคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตคือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายกอร่างกายเราจะเรียนสิ่งเหล่าเนี้ ถ้าเรามีสติรู้่อยู่กระจิตอยู่กับเจตสิกอยู่กับรูปดูเนืองๆผ่อไปมันจะเข้าใจจิตก็ไม่เที่ยงเจตสิก ค, คือความรู้สึกก็ไม่เที่ยงร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงจิตก็บังคับไม่ได้เจตสิก ค, คือสุขทุกข์ดีชั่วก็สั่งมันไม่ได้ร่างกายเราก็สั่งมันไม่ได้จริงมันเหมือนสั่งได้นะสั่งให้หันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยก็สั่งได้แต่สั่ง มากมากเข้าสั่งไม่ได้สั่งว่าอย่าแก่สั่งไม่ได้อย่าเจ็บเนี่ยสั่งไม่ได้อย่าตายสั่งไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้อย่าหิวอย่าหนาวอย่าร้อนอย่ากระหายน้ำเลยสั่งไม่ได้อย่าปวดเอือปวดฉี่สั่งไม่ได้ในร่างกายสั่งมานิดๆหน่อยๆมันสั่งได้สั่งหันซ้ายหันขวายังสั่งได้สั่งมากเข้ามากเข้าสั่งไม่ได้จริง ความรู้สึกทั้งหลายเราก็สั่งมันไม่ได้จงสุข mm hmm. จงดีสั่งไม่ได้จิตใจเราก็สั่งไม่ได้จงมีแต่ความสงบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ mm hmm. เป็นผู้รู้ตลอดเวลาสั่งไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด mm hmm. เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี mm ๋ยวเป็นผู้เพ่งเราควบคุมไม่ได้จริงเนี่ยเราเห็นความจริงนะความจริงเราเห็นของจริงก็คือ เห็นจิตเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเห็นร่างกายนี่เรียกว่าเราเห็นเห็นของจริงไม่ใช่คิดฝันเลื่อนลอยของจริงคือตัวปรามัตถธรรมจิตเจตสิกรูปเห็นเพื่ออะไรเห็นของจริงเพื่อวันหนึ่งจะได้เห็นความจริงความจริงก็อยู่กับของจริงเท่านั้นความจริงไม่ไปอยู่กับของปลอมอะไรเป็นของปลอม เรื่องราวที่เราคิดเป็นของปลอมไม่มีจริงย่เราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็คิดได้นะทั้งที่เป็นผู้ชายบางทีคิดเป็นนางงามจักรวาลอะไรอย่างนี้คิดอะไรก็ได้หรือคิดเป็นนักมวยแชมป์โลกเะไยงคิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคิดได้แต่ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ของจริงหมายความคิดเป็นของปลอม ร่างกายเราเนี่ยเป็นของจริงความรู้สึกทั้งหลายเป็นของมีจริงส่วนความคิดทั้งหลายเป็นของปลอมเราอยากเห็นความจริงเราต้องดูจากของจริงคอยดูอยู่ในกายคอยดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นคอยดูจิตใจของตัวเองจิตใจเดียเดยเเด๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เพ่งอะไรเงี้ะดูไป พอเราดูของจริงนะไม่นานเราก็จะเห็นความจริงความจริงอยู่ที่ของจริงไม่อยู่กับของปลอมของปลอมคือตัวความคิดงั้นหลวงปู่ดูหนึงสอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็อาศัยคิดทุกวันนี้คำสอนท่านแว่งไปนะชอบออาไปอ้างคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้ก็เลยฝึกที่จะหยุดคิดหยุดคิดไม่ใช่ ท่านบอกว่าต้องอาศัยความคิดเพราะว่าเราคิดไปเนี่ย mm. มันจะเกิดสุข mm. เกิดทุกข์ mm. เกิดดี mm. เกิดชั่ว mm. แล้วมีสติตามรู้เนี่ย mm. เราจะเห็นว่าจิตมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเจตสิกเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะ mm. ทุกวนันนี้ธรรมะจอมปลอมเยอะมากนะ mm. ต้องระมัดระวังเอาคําสอนครูบาอาจารย์ไปแล้วแหวงแหวงว้าๆนี่มีคนมาบอกหลวงพ่อนะว่ามีคนมาแอบอ้างหลวงพ่อะ ว่าเคยอุปถากคหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมพาหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ที่นนทนที่นี่จะบ้าตายแอบอ้างนะแล้วก็มาชวนพวกเราให้ไปเรียนกรรมฐ า, านกับเขาแอบอ้างนะทั่วเนี้ยครแอบอ้างหลวงพ่อเยอะมากเลยขนาดไปงานศพนี่ไหม อยากถ่ายรูปกันนะบอบอกห lonely, ลวงพ่อเรียกให้ไปถ่ายรูปหลวงพ่อย่างประท้วงกันบอกเฮ้ยมันไมแอบอ้างหลวงพ่อต่อหน้าต่อตาเลยนะเนี่ยเมื่อวานจัดดอกไม้ทุบเจียนบอกขอกข้ามาแอบอ้างเพราะว่าเรียนกับหลวงพ่อก็เยอะนะเห็นคุณเคย ในใครบอกอะไรอย่างไรอย่าไปเชื่อมันเชื่อคนง่ายงโง่หลวงพ่อเคยงโง่มาแนะหลวงพ่อสมอัยยังเป็นโยมนะเราเข้าไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เราดีๆทั้งนั้นเลยเราก็เลยคิดว่าพระอันดีทุกองอะ่ะพระอยากพ้นทุกพระอยากได้มรรคผลนิพพานพระเป็นคนดีหมดมาบวชแล้วถึงรู้ว่าพระแสบก็เยอะพระปลอมๆเยอะ พระดีมีนะไม่ใช่ไม่มีเมื่อก่อนไม่ระวังกับพระเลยเชื่อ<ม>เชื่อง ม, มง่ายว่า<ม>พระดีเจอพระกกหกเข้าไงแสนสาหัสหัดภาวนานะแล้วก็หัดภาวนาสังเกตจิตใจตัวเองไปหลวงพ่อมัวแต่ดูจิตตัวเองไม่ยอมดูจิตคนอื่นนะ ที่โดนเขาต้มเอาแต่ก่อนเนี้ยเดี <c> ๋ย <oughs> วนี้ไม่ยอมแล้วต้องคอยสังเกตคอยดูภาวนาเขาเอาตัวเองให้พ้นทุกข์ไม่ต้องสนใจคนอืน่นนะเขาลือกันว่าคนเนี้ยภาวนาดีหลวงพ่อรับรอ ง, อะรองนะีน้บางทีไปบอกนะว่าหลวงพ่อรับรอง <c oughs> เวลาส่งกันบ้านพวกเราได้ยินหลวงพ่อบอกไหม <m uch> เออภาวนาดีแล <m uch> ้วคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีนะเขาไปบอกเนีหลวงพ่อบอกว่าเป็นโสดาแล้ว <c oughs> <m uch> ไม่หลอกคนหนึ่งเคยชั่วร้ายตอนนี้หยุดชั่วร้ายหลวงพ่อก็ชมว่าดีนะเค <c oughs> <c oughs> ยตินะดลบอ่ะแล้วมาได้ศูนย์หลวงพ่อก็ว่าดีละ เคยได้สวนตอนนี้ได้หนึ่งแต้มหลวงพ่อว่าดนะีเคยได้เก้าแต้มขึ้นมาสิบแต้มหลวงพ่อกว่าดีเนี่ยมันดีตามชั้นตามภูมิดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะมันไม่ใช่ดีเลิศนะดีเลิศจริงก็ต้องไม่ทุกข์อ่ะยังทุกข์อยู่ยังไม่ดีเลิศหรอกเพียงแต่ว่าใกล้ความดีเลิศเข้าไปเรื่อยนะ ทุกน้อยลงน้อยลงเลยไม่ไปติดสุขนะคนไปติดสุขแล้วบอกทุกน้อยใจมีแต่ความสุขอย่างนั้นยังเป็นขี้ค่ายัางเป็นธาตุของความสุขอยู่ใช้ไม่ได้มีความสุขแล้วต้องมีอิสระด้วยไม่ตกเป็นธาตุของความรู้สึกทุกชนิดค่อยๆฝึกตัวเองไป อย่างผู้ช่วยสอนของหลวงพ่อเนะนเขาไม่ได้ดีหมดผู้ช่วยสอนก็ยังมีกิเลสเหลืออยู่ดีบ้างไม่ดีบ้างเขาก็ยังมีหน้าที่ขัดเกลาตัวเขาเอางเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาแบ่งเวลามาช่วยพวกเราที่อ่อนกว่าเขาเท่านั้นแหละนะหลวงพ่อดูทุกคนไม่ใหม่เยอะเกิน สมัยหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์นั้นเราเข้าไปหาท่านใกล้คนหนึ่งสองคนเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปเทศทิงคนเป็นพันพันสองพันอะไรหลายพันบางทีหลวงพ่อดูให้ไม่ทั่วแล้วได้พวกผู้ช่วยสอนนะมาช่วยนะแต่เขาก็ยังมีกิเลสกันอยู่มีกิเลส เ, เราอย่าไปเพ่งโทษ คนอื่นเขามีกิเลสเขาจริงแต่เขาก็ยังดีกว่าเราอมีความรู้มีความเข้าใจเยอะกว่าเราแล้วก็อาศัยมันเหมือนอย่างเรามีครูชั้นประถมครูชั้นมัธยมหนึ่งเขาไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ทุกคน<ม>แต่เขาก็ความรู้เยอะกว่าเรา<ม>เราก็ได้ประโยชน์จากครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไป มีครูบาจารย์ก็ต้องเรียนต่อะแต่ละองค์เขาก็ต้องเรียนต่อแต่ละคนแต่เขาก็ต้องเรียนต่อพอนางเขาไปอีกจนวันหนึ่งเขามีความสุขและเป็นความสุขที่มีอิสระด้วยสุขอย่างเดียวไม่ได้นะก็มีสรภาพอิสระภาพก็พพคือไม่ตกเป็นธาตุกิเลสอีกละของเรายัางตกเป็นธาตุรู้สึกไหม กิเลสสั่งเราทั้งวันเลยให้ทำนนทํทำนี่ตลอดเลยสั่งให้ดูหนังฟังเพลงสั่งไปหาของอร่อยกินสั่งให้ไปเมาสกับเพื่อนสั่งเราตลอดเวลาเนยะอยากนอนอยากนี่ไปแน่ไม่มีสลาหรอกตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนะงั้นพยายามฝึกตัวเองเขานะมีคนภาวนาอย่างที่หลวงพ่อสอนนะ เอาตัวรอดได้หลายสิบละตอนนี้มีอหลายสิบคนแต่คนเดี่ยงก็เป็นหมื่นนะเดี่ยเค็นเป็นหมื่นหมืนรอดขึ้นมาได้แต่วันหน้ามันก็ยังมีเพิ่มไปเรื่อยๆแหละสอนกรรมฐานมันก็เหมือนปลูกต้นไม้บางต้นก็ตายไปบางต้นก็งอกงามบางต้นก็โตช้าบางต้นก็โตเร็ว บางต้นโตเร็วมากนะออกด อ, อกผลในเวลาอันสั้นไม่กี่เดือนก็มีบางต้นใช้เวลานา น, านกว่าจะงอกอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นความยุติธรรมหลวงพ่อสอนให้เท่าเทียมกันหมดนะแต่พื้นฐานเราไม่เท่ากันยินศรีเราแก่กล้าเราก็าไปได้เร็ว ยินสี่เราไม่แก่กล้านะเศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรายังไม่เข้มแข็งนั่นก็ใช้เวลาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราแก่กล้านะ้วก็ใช้เวลาสั้นบางคนยินรี่แก่กล้านะแล้วกิเลสก็แก่กล้าด้วยมันไม่ได้ล้างกันนะยินรี่แก่กล้าอย่างศีลสมาธิปัญญามีแต่กิเลสแดง พวกกิเลสแรงเนี่ยเวลาภาวนานะจะต้องเนนหน็ดเหนื่อยมากเรียกพวกต้องเป็นปฏิบัติแบบลําบากเรียกทุกขาปฏิปทาแต่พวกกิเลสเบาบางนะปฏิบัติง่ายเดี๋ยวอาจสบายเป็นสุขาปฏิปทาถ้าอินทรีย์อ่อนเนี่ยบรรลุช้าเรียกว่าทันทาพิญญาเพราะอินทรีย์แข็งคิด ป, ป่าพิญญาบางคน ปฏิบัติง่ายบรรลุเร็วบางคนปฏิบัติง่ายบรรลุช้าบางคนปฏิบัติยากบรรลุเร็วบางคนปฏิบัติยากด้วยบรรลุช้าด้วยทั้งหมดนี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมทำชั่วมามากก็ปฏิบัติลำบากเพราะต้องสู้กับกิเลสอย่างแรงทำดีมาเยอะกิเลสเบาบางก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อ ย, ยในการต่อสู้กิเลสมากนะก็สบาย งนเราอยากสบายนะเราก็พยายามอย่าตามใจกิเลสเรียนรู้จิตใจตัวเองไปอย่าตามใจกิเลสขยันภาวนาเป็นการสะสมให้อินทรีย์เราแก่กล้าเราไม่ตามใจกิเลสทีละชั่วไปไม่ทำชั่วนะเราพัฒนากุศลของเราให้ดีคือทำกุศลให้เจริญ พัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้ไปให้เจริญเงี้นไปอินทรีย์เราจะได้แก่กล้าเน้นความชั่วต้องละความดีต้องทำํำนะเราจะฝึกจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วมากขึ้นมากขึ้นบางคนความชั่วไม่ละคิดว่าทําดีมากๆแล้วจะบรรลุไม่บรรลุหรอกความชั่วยังไม่ละเนี่นความชั่วก็ต้องลดละความดีก็ต้องเจริญนะทำกุศลให้ถึงพร้อม โดยเพาะตัวศีลสมาธิปัญญาต้องพร้อมเบื้องต้นคือศรัทธาวิริยะสติอะไรพวกนี้ต้องฝึกแล้วศีลสมาธิปัญญามจะดีขึ้นจะสำรวจตัวเองความชั่วอะไรยังไม่ละเขาละเสียความดีอะไรยังไม่ได้ทำศีลยังไม่ดีไว้ทำให้ดีซะใจยังฟุ้งซ่านก็ทำใจให้ตั้งมั่นให้สงบ ไม่เคยเห็นธาตุขันธ์ทำงานตามความเป็นจริงก็ไปดูซะดูกายอย่างที่เป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นแล้วไม่ตามใจกิเลสนะยีงก็จะไปได้ชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปก็ได้ง่ายาหันหน้าไปทางนั้นไปไม่ต้องกลับหลวงพ่อใครจะเอาของมาถวายไปถวายได้เลยนะมีกล่องอะไรใหญ่ๆนะพวกที่ถวายของนะเอาไปถวาย ที่ไม่ได้ถวายก็อนุโมทนาวก็ได้บุญแล้วล่ะ